ทุกกะสองเจ็ดสิเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่เป <R is> ็นเหตุและสัมปยจจุตด้วยเหตุสัมปยจจุตด้วยขันธ์สามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปัจจุตด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุติจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุติจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหก และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสอง้อยเจ็ดสิบแปดสภาวะธรรมที่มีเหตุสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุสัมปยุตเรียกขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและท่าเท่าไร่วิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหกและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองร้อยเจ็ดสิบเก้า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 สภาวธรรมที่เป็นโล ก, กุตระสัมปยุตยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขันอายตนะและท่าเท่าไร ไ, ไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนไที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากท่าหกสองรสภาวธรรมที่เป็นอาสว ะ, ะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุต ด, ด้วยอาสวะ สัมปยุทธ์เยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์เรียขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธ์จากขันอายตนะและธาตุเท่าไร่วิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิหและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน283สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวะธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะ และไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไหร่ไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไหร่ไม่มีขันและอายตนะเหล่านั้นที่จะวิปยุทธ์แต่วิปยุทธ์จากท่าหกสองรสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไหร่ไม่มีการสัมปยุทธ์ วิปยุตจากขันอายตนะและธาเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาติสิบหกและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วนสองปดสห้าสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสัมปยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาติหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาติสิบหก และวิปยุตจากอัยตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองปสหสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นพันธะสภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นปรามาตถสภาวธรรมที่เป็นปรามาตถและเป็นอารมณ์ของปรามาตถ์สำปยุตด้วยขันสามอัยตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุตด้วยขันหนึ่ง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 289สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สัมปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิทธิ์ท่าสิทธิ์และวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน290สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้สภาวะธรรมที่วิปยุทธจากจิต สภาวะธรรมที่ไม่รครกับจิตสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสัมัยุทธ์เรียขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมัยุทธ์วิบยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิบยุทธ์จากขันสี่อายตนะหนึ่งท่าเจ็และวิบยุทธ์จากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองสภาวะธรรมที่เป็นจิตสัมัยุทธ์เรียขันสาม และสัมยุญด้วยอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนวิปยุติจากขันอายตนะและท่าเท่าไหรวิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน292สภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวะธรรมที่สัมยุญด้วยจิตสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตสภาวะธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐาน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 สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสัมปยุตเดียรขนันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตวิปยุตจากขนันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนาที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากท่าห้าสองรสสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส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 สัมปยุทธ์แจขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์แจกขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์แจกขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหและวิปยุทธ์แจกอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสองสภาวะธรรมที่กิเลทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส ล้ำประโยชน์ดดขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสองาสิบแปภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา สภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสำปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิทธิ์ท่าสิบหและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนส9งสภาวะธรรมที่มีวิตกสภาวะธรรมที่มีวิจารณ์ สัมปยุทธ์ดขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธ์จากขันอายตนะและธาต์เท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบห้าและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 500. สามสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณสัมปยุทธ์ด้วยขันอายตนะและธาต์เท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ วิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหนึ่งสามร้อยหนึ่งสภาวะธรรมที่มีปีติสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติสำปรยุตด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหก และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งาหนึ่งบางส่วนสามสภาวะธรรมที่สหรคต ด, ด้วยสุขสำบยุตด้วยขันหนึ่งและสำบยุตด้วยอายตนะหนึ่งาหนึ่งบางส่วนวิปยุตจากขันอายตนะและทา่าเท่าไรวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบทาสิบ15้าและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งาหนึ่งบางส่วนสาม้อยสาม สภาวธรรมที่สหรูปด้วยอุเบกขาสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอญญายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธ์จากขันอญญายตนะและธาทเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอญญายตนะสิบธาสิบเอและวิปยุทธ์จากอญญายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลางวจรสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ สภาวาธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าส daddy daddy. มัมพ ย, ยุติจากขันอาญตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมพยุติวิปยุติจากขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุติแต่วิปยุติจากท่าหกสามรหสภาวะธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวะธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข์ क. สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สัมปยุทธ์เลขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุทธ์จากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งทาหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในฉัทนายหนึ่งยามบท ธรรมายตนะหนึ่งธรรมาธาตุหนึ่งทุกขสัตว์หนึ่งชีวิตินสีหนึ่งสลายตนะหนึ่งนามรูปหนึ่งภพใหญ่สี่ชาติหนึ่งชราหนึ่งมรณะหนึ่งในติกกะ19บเก้าบทในโคจกะห้าสิบบทในจุลันตระทุกกะแดบทในมหันตระทุกกะสิบห้าบทต่อจากนั้นอีกส8บดบท บทธรรมหนึ่งยี่สบามบทนี้ไม่ได้ในฉนัทนัยสัมปโยคะวิปโยคะปทานิเทศที่หจบเจ็ดสัตตมนยัยเจ็ด สัมปยุตตะเตณวิปยุตตะปทะนิเทศสามสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มานายตนะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์อายตนะและท่าเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งท่าเจ็ด และวิปยุ ต, ตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน307สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุ ต, ตด้วยจากขวญญ ат, วิญญาณธาตุโนธาตุโนวิญญาณธาตุสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุ ต, ตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหนึ่งสามสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยมะนิสี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 วิปยุตจากธาตุห้าสามร้อยสิบสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจใจภัตตาที่เกิดเพราะมีชะลายตนะเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะมีภัตตาเป็นปัจจัยสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยภัตตาเวทนาสัญญาเจตนาจิตมานัสการสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเจและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้สบอสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุต ด, ด้วยอธิโมกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์และอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหนึ่งสา้อยสิบสอง สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาสภาวธรรมที่สหรกรดด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุทธ์จากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไันที่จะวิปยุทธ์แต่วิปยุทธ์จากธาตุห313สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์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 สภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุห้า 5. รวมบทธรรมในสัตมณใน37มบเบทขันสอายตนะหนึ่งธาตุเจ็ดอินรีสองปฏิจจสมุบาสามสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีผัสสะเป็นที่ห้าอธิโมกหนึ่งมนศษกาหนึ่งในติกะสามบทในมหันตระทุ ก, กะเจบท สองบทที่สัมปยุทธกับจิตคือสวิต ก, กะสวิจาระหนึ่งและที่สัมปยุทธด้วยอุเบคาหนึ่งสัมปยุทธะเตนะวิปยุทธะประธานิเทศที่เจ็ดจบ 8. อธรรมในา แวิปยุตเตนะสัมปยุตตาประธานิเทศสาม้อยสิบเจดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากรูปขันสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุตเรื่อขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปยุตสาม้อยสิบปดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้สับร้องไห้ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้สภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์เกลื่อนขันอายตนะและท่าเท่าไรไม่มีการสัมปะยุทธ์รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในอธรรมใน47บทธรรมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งชีวิตินีหนึ่งนามรูปหนึ่งสลายตนะหนึ่งชาติหนึ่งชาราหนึ่งมรณะหนึ่ง ทำสองบทจากติกะอาชิ ต, ตะพะหิทะและอนิทัสนะอปปติคะในอันตรทุกกะแรกเจ็ดบทในโคจกะสิ บ, บทในมหันตรทุกกะถัดมาสิบสี่ บ, บทในปีติทุกกะสุดท้ายหกบทสภาวะธรรมสีสิบเจ็ดบทเหล่านี้ย่อมไม่ได้ทั้งในสมุเทเธทะและในโมคะปุจกะ วิประยุติณะสัมปยุตตะประธานิเทศที่แปดจบเก้านวามานเก้าสัมปยุติณะสัมปยุตตะประธานิเทศส1 9รสิ สภาวธรรมเหล่าใดสัมบูรณ์ด้วยเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภาวธรรมเหล่าใดสัมบูรณ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมบูรณ์ด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมบูรณ์ด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเจดและสัมบูรณ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามยี่สิบ สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณขันต์มัญญายตนะจากขวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สาและสัมปยุทธ์ด้วยอัยญตาหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามยยีสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสมยุทัย ส, ะะสัตว์มรัสสัต สภ า, ะ ว, าสวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ <S esar Adrian> <c oughs> ่งธาตุหนึ่งบางส่วน322สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยมณินสี่สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันสาม และสัมปะยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามยี่สิบสาสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสุขินสี่ทุกหินสี่สมณะินสี่โทมณะินสี่สภาวธรรมเหล่าใดสัมปะยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันธ์สามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน สามสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขินสี่สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามยสห้าสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสัตถินสี่วิรีนสี่สติินสี่สมาธินสี่ปัญญสี่ อนัญญาตัญยสามีตินสีอัญยินสีอัญญาตาวินสีอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามอยยี่สิบ สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารขเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันธ์สามและสัมปยุดด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามยสเจสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยผัสสะที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเและสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบาง ain, ส่วน328สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยเวทนาที่เกิดเพราะมีภัส ain, สะเป็นปัจจัยสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเจ็ด และสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน329ยสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยปุปาทานที่เกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยกรรมภพสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันสมาตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่ง อายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามร้อยสามสิบสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยโสกะทุกข์โทมานต์สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้อยสามสิเอ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยอุปายาต สติปทานสมมติปทานสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมประยุทธ์ด้วยขันธ์สามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมประยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยอิทธิบาทสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้น สัมปยุทธด้วยขันสองและสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยฌานสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันสองอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสาม สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยอปมัญญาอินรียห้าพละหโพุทชงเจ็อริยมรรคมีองค์8สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามสหสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยผัสสะ เจตนามานสิกานสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขัน 3, ธ์สามอายจตนะหนึ่งธาตุเจดและสัมปยุทธ์ด้วยขัน 1, ธ์หนึ่งอายจตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้สาสหสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ดว้วยเวทนาสัญญาสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะาธรรมเหล่านั้นสัมปยุธ 1, ทธ์ด้วยขันธ์สาอายตนะหนึ่งธาตุเจและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยจิตสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สาและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามสาม สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยอธิโมกสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุดด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุสองและสัมปะยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสามสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมที่สัมปะยุดด้วยสุขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุดด้วยทุกขเวทนา สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุโเวทนาสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสภาวธรรมเหล่าใดสัมปะยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ S.> สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้สอดสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่ง และสัมบัญญตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสีสภาวธรรมเหล่าใดสัมบัญญัติด้วยสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมบยุญัตด้วยเหตุสภาวธรรมเหล่าใดสัมบยุญัตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมบยุญัตด้วยขันธ์สาอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมบยุญัติด้วยขันธ์หนึ่ง อายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามร้อยสี่สิบสามสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่สัมปยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วน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 สามสหสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้สสิหสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวะธรรมที่เป็นคันถะสภาวะธรรมที่เป็นโอคะ สภาวะธรรมที่เป็นโยคะสภาวะธรรมที่เป็นนิวร์สภาวะธรรมที่เป็นปรามาสสภาวะธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันธ์สามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้อยสี่เจ็ด สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยสภาวะธรรมที่สัมปยุดด้วยปรามาสสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วนสามร้อยสี่สิบปดสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมที่เป็นจิตสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุดด้วยขันสาม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 สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุด้วยสภาวะธรรมเหล่า hmm. นั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดสาอยห้าสิบสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปะยุดด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมอง สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สาอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามห้าสบเอ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลส สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่มีวิตกสภาวะธรรมที่มีวิจารสภาวะธรรมที่มีปีติสภาวะธรรมที่สหรคตรด้วยปีติสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและาธาตุหนึ่งบางส่วนสามร้อยห้าสิบสอง สภาวะธรรมเหล่าใด ส, ส, ส, ส, ส, ส, สัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมในนวมณีหนึ่งร้อยสบท อรูปขันธ์สี่มนายตนะหนึ่งวิญญาณธาตุเจ็ดสัจจะสองอินรีสิบสี่ปัจาการสิบสองบทที่ต่อจากปัจญการนั้นสิบหกบทในติ ก, กะแปดบทในโคจกะสี่สิบสามบทในมหันตรกกะทุกะเจ็ดบทในปิธิทุกะหกบทบทธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าในนวมนิเทศดังนี้ สัมปยุตเตนะสัมปยุตตะประธานิเทศที่เก้าจบ